หลายงานลงพ่้เทียนทุกปีทุกวันตั้งแตเดือนพิกจิกาจนมาบกกนลาเนตามสาขาต่างๆเปิดปฏิบัติสอนกับมาฐานกันเดี๋ยวนี้เวลานี้วัดใด บุคคลใดพ้านใดไม่มีการปฏิบัติถือว่าล้าสมัยกันแล้วเขาเป็นสร้างมักสร้างผลกันแล้วคนทุกวันนี้แต่ถ้าวัาดใดไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าล้าสมัยที่ง่าที่ ในพวกเราจรึงดูหน้าดูหลังโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นความจําเป็นเรื่องคอขาดป่าตายก็ว่าได้ชวิตเรามันไปเรื่อยเป็นจู่ความเแก่ความเก็บความตาย เจะรอ ว, วันเจ็วันเจ็บวันตายทุกเป็นทุกอยู่วงหน้าเราบเป็นสมควรที่จะรออย่างนั้นต้องเอาชนะให้ได้อยาให้ความเจ็น้ำไปอยาให้ความเจ็บน้ำไปอยาให้ความตายน้ำไปมาเป็นทุกเอาทำน้ำไปเอาพระรำน้ำไป จนเราปฏิบัติทานำไปเวลามันหลงธรรมคือความรู้สึกตัวเป็นแม่ของธรรมนำไปจะความไม่หลงได้ทางแม่จะดิบรีนั่นหละไปทั้งนั่นหละจะสว่างออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆ <c oughs> ขอให้แยกไปสักหน่อยเพราะ เปิดทางทางเปิดบ่อยก็ต้องแวกออกไปเพียนพยายามทางเดินทางชีวิตของเราไปสู่ความไม่เจอไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายอาจจะไม่โล่งเตือนเหมือนทางไปสู่อบอยเพราะมัน เคยกินอาจจะเป็นอย่างนั้นเคยต่อความหลงเคยต่อความโกรธเคยต่อความทุกข์ง่ายที่จะหลงง่ายที่จะโกรธง่ยที่จะทุกข์เพราะไม่เคยฝึกตนสอนตนเราจึงต้องมาฝึกหัดเริ่มแรกก็ต้องทวนกระแสม่เป็นลายมีทำนำทาง มนขุนเจอก็ว่าได้ขุนเจาดอกเอกเปิดได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจตรา น, นี้มีสติเปิดผ่านได้ทุกลูกทุกแบบแลเลยเกิดขึ้นมาว่าจะมีสติต้องฝึกหัดเพื่อจะได้ใช้สติมันก็จเจริอโงกงามไปถึง ปัญญาเปลี่นเปีนนเป่นสมาธิปัญญาโน่นโ็อกนามไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยพบทางไปเรื่อยเรื่องหวนก่อนได้พูดถึงมรรคเนี่ยมันช่วยจริงๆเป็นทางของชีวิตจริงๆองค์มรรคเนี่ย องค์มรรคก็คือเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยแต่นั้นเดียวกันรุนกุบเดียวอาศัยมรรคพาให้เหพาให้รู้ว่าให้ถูกไปสู่จุดหมายปลายทางตั้งแต่คิดขึ้นมา เป็นใหญ่แล้วลูกก็รุนแล้วคิดชอบขึ้นมาคิดผิดไม่เป็นคิดเป็นทุกเป็นโทษไม่เป็นได้ที่เราได้ทางเราเห็นทางโชว์ให้เห็นแล้วเห็นอกุศลเห็นกุศลโชว์บอกทางเป็นกุศลโชว์บอก ทางเอากุศลบอกผิดขีดเส้นเวยตายตัวเลยไม่ถูกต้องกุศลถูกต้องใบทางนั้นคิดชอบขึ้นมากุศาชอบขึ้นมาช่วยไปทั้งหมดรวมลงที่ทางแล้ที่เดียว จุนนี้เปไหนได้ที่นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะสู่มอกสูผลเลยปฏิเสธไม่ได้แล้วเหมือ น, นคนเดินทางจะต้องถึงจุดหมายปลายทางไปทางเดียวกันแท้าอุ่น อ, อกอุ่นใจอโอ้พระพุทธเจ้าก็ไปทางนี้ตั้งแต่พระกุสัลโโกุนาคาโนกัดสโปโคตโม ไปทางนีเพาาระอรหันต์ทั้งหลายก็ไปทางนี้บุรพาจารย์คู่อาัจารย์ก็ไปทางนี้รู้กันสนเดินทางเส่นเดียวกันก็ต้องรู้กันเป็นอย่างไร่านตรงไหนหนก็มีบอกสิ่งที่บอก ความคิดบ้างพูดจาบ้างการงานบ้างการเลี้ยงชีวิตบ้างความภาคเพ่อนบ้างมีสติบ้างมีสมาธิบ้างเป็นพลังรวมเป็นทางอยู่ในกายของคนเรานี่แล้วก็มีความคิดมีการพูดจาในการ การชอบมีการอยู่การจิ น, จนการใชิชีวิตชอบเรื่องชีวิตโดยชอบมีในชีวิตของเรานี่ชีวิตเรมีรูปมีนา ม, มนก็มีกระบวนการที่ใช่รูปใชอนามนี่รวมเป็นหนึ่งคือมรก ปฏิบัติคือเห็นเห็นพบเห็นเห็นพบเห็นก็ว่าพบเห็นคือทั้งหมดรอะไรเกิดขึ้นมาพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นการเห็นเนี่ยคือทางเห็นแล้วไม่เป็นไปแล้วไปแล้วไม่อยู่ที่เก่าแล้วค้นไปแล้วหลุดไปแล้ว เหมือนพระจันทร์สองแสงชีวิตเหมือนจันทร์สองแสงไม่มืดการคิดก็เหมือนพระจันทร์สองแสงการคุยกเหมือนจันทร์สองแสงการกระทาการเลี้ยงชีวิตบอกหมดความความเหมือนเห็นเห็นถูกความผิด ก็เกิดขึ้นในยาติถ้าในความเห็นถูกเราไปลยได้เลยเหมือนลุ่งอุ่่นสงเงินแสงทองของท่องฟ้าดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วจึงมีโอกาสที่จะต้องเ ห, นเเหนมนกัเสือแห่งมากแข็งผลได้ทุกชีวิตถ้าเราปฏิบัติทำน้ำไป อาศัยทำนามไปมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีความตั้งใจก็มีกำลังมากเันง่ายเพื่อการนี่โดยตรงชื่อตของเรานี่มีรูปมีนามมีกายมีใจ มีอาการหลังตางที่เกิดขึ้นที่รูปที่นามช่วยเราบอกผิดบอกถูกถ้าเราได้เห็นไม่ีสติแล้วยึ่นจำเป็นมากชีวิตของเราเนี่ยจะประมาทอันนี้ก็บมดไปแล้วตั้งแต่ทำบัานมานี่ตีสี่ก็บมดไนแล้วเราทำมาหลายอยู่ ถ้าผู้นีความเพียรก็ไปได้กลายเหมือนม้ามีผีเท่าดีและม้าที่ไม่มีกําลังม้ามัมีกําลังก็ไปได้ช้าๆม้ามีกําลังก็ไปได้กลายมีพละมีศรัทธาสัทธาพละเวิยะพละสติพละสบาธิพละปัญญาพละ ยิ่งใหญ่เป็นแหลงเครื่องทุ่นแรงสำหรับทำความดีไม่ทอดทั้งนล้ร่มเบิ์เอาจึงต้องพัฒนาตัวเองอย่าเฉื่อยชาอย่าที่เจียจคิดกันยันมันเพียนต้อสมควรแบวันนี้เนาะ อ่ะครบค